เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิดฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20พฤศภาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มีความตั้งใจที่จะมาวัดเพื่อมาทำบุญ มาสร้างกุศลมาฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่มีความตั้งใจก็จะไม่สามารถที่จะมาวัดกันได้เพราะว่าไม่ว่าจะกระทาอะไรก็ตามจะให้เกิดเป็นผลขึ้นมาได้ในเบื้องต้นต้องมีความตั้งใจก่อนคือใจของเราต้องคิดขึ้นมาก่อนเช่นว่าเมื่อวานนี้เรา ก็อาจจะคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เราไม่ต้องไปทำงานมีเวลาว่างเราน่าจะไปวัดไปทำบุญนี่คือความตั้งใจในเบื้องต้นเพราะถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดแล้วก็อาจจะไม่ได้มาเพราะ <c oughs> พอตื่นขึ้นมาก็ยังอยากจะนอนต่อเพราะเห็นว่าเป็นวันอาทิตย์ไม่ต้องไปทำงาน ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีก็เลยนอนต่อนอนป่านนี้ยังอาจจะไม่ตื่นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะไปทำอะไรนั่นเองดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราอยากจะได้อะไรเราต้องมีความตั้งใจก่อนเมื่อเราตั้งใจแล้วเราจะได้ไปทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำได้ ความตั้งใจนี้ทางภาษาพระท่านเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานที่เราเข้าใจกันนั้นเป็นความวิงวรนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นอยากจะรวยก็อธิษฐานจุดธูปเทียนกราบพระแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ร่าขอให้รวยขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มา ซึ่งไม่ใช่เป็นความหมายของคำว่าอธิษฐานในทางศาสนาคำว่าอธิษฐานนี่เป็นหนึ่งในบารมีสิบที่ต้องบำเพ็ญถ้าเราอยากจะไปสู่ความเจริญก้าวหน้าไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราต้องมีอธิษฐานบารมีคือเราต้องตั้งใจ เราอยากจะได้อะไรเราต้องตั้งใจทำในสิ่งที่เราอยากได้เพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะลอยมาตามความต้องการตามความอยากของเราเพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นผลที่เกิดจากการกระทำเท่านั้นเ <c oughs> ช่นเราอยากจะร่ำรวยถ้าเรานั่งจุดธูปเทียนแล้วก็อธิษฐานขอให้รวยไปจนวันตาย ก็ไม่มีทางรวยขึ้นมาได้เพราะคนเราจะรวยได้ต้องมีต้องหารายได้ต้องทำมาหากินมีรายได้เข้ามาถ้าขยันทำงานมากๆ ม, มีรายได้เข้าม า, มากๆแล้วรู้จักเก็บรู้จักใช้ใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่จำเป็นแล้วก็เอาไปลงทุนขยายกิจการอย่างนี้ ก็จะสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะรวยเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินเก็บตองเก็บทองได้เงินมาก็เอาไปขยายกิจการไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็จะเป็นมาหาเศรษฐีได้ถ้าเราไปศึกษาดูประวัติของเศรษฐีทั้งหลายเขาก็ทำกันอย่างนี้ เราไม่ได้ไปนั่งอธิษฐานขอวิงวอนขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามาจากการกระทำของเราทั้งสิ้นไม่ได้กดไม่ได้มาจากการขอจากคนนั้นจากคนนี้ถ้าถ้าเราขอเราก็เป็นเมือนขอทาน เป็นขอทานแล้วมีทางที่จะรวยที่จะเจริญได้ไหมย่อมเป็นไปไม่ได้เป็นขอทานก็ต้องเป็นขอทานไปตลอดชีวิตเพราะงอเมืองอเท้าไม่คิดที่จะพึ่งตนเองนั่นเองศา ส, สนาจึงไม่ได้สอนให้เราขอแต่สอนให้เราทำให้เราพึ่งตนเองอัตตาหิตอัตโนนาโถไม่ว่าอะไรก็ตามเราสามารถ ทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ด้วยการกระทาของเราทางกายวาจาใจเราอยากจะให้คนเขารักเราเราก็ทำตัวให้เราเป็นคนที่น่ารักเขาก็รักเราเองคนที่จะน่ารักนั้นต้องเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่ไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นเป็นคนที่ไม่เอาทรัพย์ ของผู้อื่นไปโดยที่เขาไม่อนุญาตเป็นคนที่ขยันเป็นคนใจกว้างเป็นคนเสียสละไม่ใช่เป็นคนตนันนีแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต่อให้รูปร่างหน้าตาไม่สวยงามก็ไม่สำคัญอะไรเพราะความดีงามของเราอยู่ที่ใจของเราเมื่อเราทำให้ เป็นที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเราจะเราจะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมน่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้เช่นพระพุทธเจ้าของเราทร <c oughs> งประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีให้เป็นคนซื่อสัตย์สุดจริง <c oughs> เป็นคนมีความรู้ความสามารถแล้วก็เสียสละ มีความรู้มากน้อยเพียงไรก็สั่งสอนโดยไม่คิดเงินคิดทองเลยแม้แต่บาทเดียวพระองค์ไม่ได้ร่ำรวยด้วยทรัพสมบัติเท่าของเงินทองแต่ร่ำรวยด้วยทรัพย์ภายในคือความเมตตากรุณาใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัว <c oughs> จึงเป็นที่น่านับถือน่าเคารพกับหวไหบูชา ถึงแม้เราจะไม่เคยเห็นเคยพบท่านมาก่อนแต่กิศัพท์ของท่านนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เรามีความเคารพนับถือท่านได้คือ <c oughs> โดยสรุปแล้วก็คือไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรเราต้องการอะไรเราต้องมีความตั้งใจที่จะทำเหตุเพื่อที่จะทำให้ผลที่เราต้องการ ปรากฏขึ้นมาได้บางท่านเวลาจะถวายอาหารกับข้าวกับปลาก็ยกขึ้นมาจกแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ไปถึงพระนิพพานความจริงการจะไปถึงที่พระนิพพานได้ไม่ได้ไปเพราะการทําบุญให้ทานอย่างเดียวถ้าทําบุญให้ทานอย่างเดียวก็ไม่มีทางไปถึงพระนิพพานได้แต่เป็นส่วนหนึ่งของการกระทําที่จะทําให้ไปได้ นอกจากทาบุญให้ทานแล้วยังต้องรักษาศีลยังต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาถึงจะทำให้ไปถึงพระนิพพานได้ดังนั้นการอธิษฐานนั้นเป็นการเพียงแสดงเจตนารมหรือเป็นการเตือนตัวเองว่าเราเกิดมาชาตินี้เราเกิดมาเพื่อมาปฏิบัติ เพื่อจะได้ไปถึงพระ น, นิพพานถ้าเรามีความตั้งใจยอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไปเสียเวลากับการกระทำอย่างอื่นเช่นวันนี้เราก็มาวัดกันมาทําบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้ามีเวลาอยู่วัดก็อยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมต่อนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาแทนที่จะไปเที่ยวกันในวันนี้ ไปสนุกสนานเฮฮากับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไม่ไปเพราะเรามีความตั้งใจว่าเกิดมาในชาตินี้เราจะต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ได้เราจะต้องไปถึงพระนิพพานให้ได้และเราก็รู้ด้วยว่าทางที่จะไปสู่พระนิพพานก็คือการเข้าวัดนีเองมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีล มาปฏิบัติธรรมหรือถ้าเรายังไม่อยากจะไปถึงพระนิพพานเร า, าเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนน่ารักเราอยากจะมีความสุขในปัจจุบันและเมื่อเราตายไปเราขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ก็เป็นทางเดียวกันทางไปพระนิพพานนี้ก็จะผ่านผ่านสวรรค์ไปชั้นต่างๆผ่านผ่านพรหมโลก เราถึงจะเข้าไปสู่พระนิพพานได้ <c oughs> ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติมากน้อยเพียงไรถ้าเราอยากจะไปแค่สวรรค์อยากจะมีความสุขในปัจจุบันเราทำบุญให้ทานกับรักษาศีลก็พอเพียงแต่ถ้าเราอยากจะได้ไปไกลกว่านั้นมีความสุขมากกว่านั้นเราก็ต้องภาวนาเราต้องปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาสภาวะทรงทั้งหลายให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเช่นร่างกายของเรานี้เป็นต้นไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นทุกข์เพราะสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่เรื่อ ย, เ, อยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ เวลาแก่ก็ทุกข์เวลาตายก็ทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะเวลาตายไปเขาก็เอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าขี้ถางไปแต่ตัวเราที่แท้จริงก็คือใจนี้เองเราก็ไปต่อเราก็ไปหาร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่ถ้าเราได้ทำบุญรักษาศีลเราก็จะได้ไปสวรรค์ ตามที่เราปรารถนาถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นไปเราก็จะได้ไปสู่พระนิพพานในลำดับต่อไป <c oughs> ดังนั้นการตั้งจิตตั้งใจหรือการบำเพ็ญอธิษฐานบา ร, รมีจึงเป็นสิ่งสำคัญในวันวันหนึ่งเราควรจะตั้งใจอยู่เรื่อยๆถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรในวันนี้เราจะทำดีเลือเจะทำไม่ดี เราจะทำคุณทำประโยชน์หรือเราจะทำสิ่งที่ไร้ไรสาระต่างๆเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วก็เป็นเหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือเรือทีไ่ไม่มีหางเสือนี่มันจะไม่ไปตามท า, ทางที่เราจะกำหนดให้มันไปได้มันก็จะไหลไปตามกระแสน้ำถ้าน้ำพัดมาทางนี้มันก็จะไปทางนี้ ถ้าน้ำมันพัดไปทางนั้นมันก็จะไปทางนั้นใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีหางเสือคือความตั้งใจเราปล่อยให้อารมณ์พัดพาไปวันไหนอยากจะทาความมีอารมณ์ดีก็ทำความดีก็อยากจะทำความดีวันไหนมีอารมณ์ไม่ดีก็อยากจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นบางวันหงุดหงิดใจก็ไปเดื่มเหล้าเสพสุรายาเมา ก็จะทำให้เราไปในทางที่ไม่ดีวันไหนอารมณ์ดีเช่นวันนี้ก็มาวัดกันอย่างนี้เรือมันก็จะใจก็มันก็จะเป็นเหมือนเรือมันก็จะไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างโคดไปโคดมาไปไม่ถึงที่สักทีวนเวียนอยู่ในอ่างวนเวียนอยู่ในวัฏะสังสารวัฏคือวัฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด แต่ถ้าเรามีความตั้งใจก็เป็นเหมือนกับเรามีหางเสือไว้บังคับเรือเราก็สามารถตั้งให้ไปสู่พระนิพพานได้เลยเราจะตรงไปทางนี้ทางเดียวเราจะไม่วกเวียนไปตรงนั้นไปตรงนี้ให้เสียเวลาเพราะไม่ว่าเราจะแวะไปตรงไหนมันก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความไม่สบายใจต่อให้เราได้อะไรมา ตามความอยากของเราเราก็ดีใจเป็นเพียงเบื่องต้นเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วเราก็มีความกมังวลมีความห่วงใยมีความวุ่นวายกับสิ่งที่เราได้มา <c oughs> เพราะสิ่งที่เราได้มามันก็ไม่แน่นอนนั่นเองมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปตลอดมันไม่รู้จะจากเราไปเมื่อไหร่ไม่รู้จะเสียเมื่อไหร่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้น ได้อะไรมาใหม่ๆมันก็ดีแต่ต่อไปมันก็เก่ามันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตาย <c oughs> ดังนั้นเราจึงควรจะตั้งเป้าไปที่พระนิพพานเพราะที่พระนิพพานนี้ไม่มีอะไรแกร่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความกังวลใจมีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรามังสุขขัง นิบบานัปงป aramang s ข k h a พราิพา์เป็นความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกที่สุดไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะเสมอเท่ากับความสุขของพระนิพพานความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้เสพได้สัมผัสได้มาครอบครองแล้วแล้วจึงนำมาแบ่งให้กับพวกเรามาสอนให้พวกเรารู้วิธี ที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขที่เสรฐนี้ได้พวกเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้มีความสามารถที่จะสามารถปฏิบัติได้ทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือไม่เท่านั้นส่วนใหญ่เราไม่รู้กันว่าเราเกิดมาเพื่อเพื่อทำอะไรเราก็ทำไปตาม <c oughs> กระแสของอารมณ์ที่มีอยู่ในใจเรา เห็นคนอื่นเขาทำอะไรก็ทาตามเขาตอนเด็กๆก็ไปโรงเรียนกับเขาพอจบมาก็ไปทางานกับเขาพอเห็นเขามีครอบครัวก็มีครอบครัวกับเขา <c oughs> แล้วก็แก่ตายไปไม่มีอะไรเพิ่มใน ใ, ในใจเลยจิตใจก็ยังวนเวียนอยู่ตามอารมณ์ต่างๆตายไปไปเกิดกลับมากลับมาเกิดใหม่ก็ทำอย่างนี้ใหม่ เคยทำอย่างนี้มานับไม่ท่วนแล้วน่าจะทำอย่างนี้อีกต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะผลักดันชีวิตของเราให้ไปสู่พระนิพพานตามอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ไปได้กระทำกัน <c oughs> เราก็จะไม่ได้ไปถึงจุดหมายนั้น <c oughs> ดังนั้นวันนี้เราได้ยินได้ฟัง เรื่องธรรมะเรื่องชีวิตของเราเรื่องเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตของเราก็คือการปฏิบัติตนเพื่อที่จะได้ให้ไปถึงพระนิพพานนั่นเองจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับ <c oughs> ความภาคเพียรจะทํามากหรือทําน้อยถ้าขยันมากทํามากก็จะไปเร็วถ้าขยันน้อยทําน้อย <c oughs> ก็จะไปช้า ดังนั้นในเบื้องต้นขอให้เราตั้งใจไว้ว่าเกิดมาชาตินี้แล้วจะตั้งใจที่จะเดินทางไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเกิดมาแต่ละพพแต่ละชาติมันไม่ดีมันทุกข์มันทรมานมีเรื่องวุ่นวายต่างๆอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายออกมาจากท้องแม่ก็ร้องไห้แล้ว ไม่ได้หัวล้อออกมาเวลาออกมาจากท้องแม่ก็ร้องนนั่นแสดงว่าทุกข์แล้วเวลาอยู่ในอยู่ในท้องแม่มันสบายพอออกมาข้างนอกต้องหายใจการหายใจนี่ก็เป็นภาระอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นความทุกข์แล้วก็มีความหิวตามมาหิวข้าวหิวน้ํารับประทานแล้วก็ต้องมีปวดท้องปวดปัดสสาวะ <c oughs> ก็ทุกข์อีกก็ร้องอีกเดี๋ยวถ้ามันหนาวไปก็ร้อง ร้อนไปก็ร้องมีแต่ความทุกข์อยู่รอบตัวไปจนถึงวันตายเลยนี่คือเครื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีความสุขความสุขก็แบบเดี๋ยวเดียวประเดียวประดาวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็มาแทนที่ไม่เหมือนกับพระนิพพานที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลย มีแต่ความสงบมีแต่ความสบายมีแต่ความสุขปรมังสุขขังนี้เท่านั้น <c oughs> ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็ตั้งใจกันว่าชาตินี้เกิดมาจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทําบุญให้ทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ให้ภาวนานี่คืองานหลักของเราไม่ใช่ไปไป ไปทำมาหากินไปสร้างบริษัทสร้างสร้างอะไรต่างๆขึ้นมานั่นไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตอย่าไปอยากเป็นนายกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นแล้วก็เท่านั้นมันก็ยังมีทุกข์เต็มหัวใจยอยู่ถ้าจะอยากอะไรขอให้อยากเป็นพระอาหารหันต์อยากจะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้า <c oughs> เมื่อเรามีความอยากแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องมีก็คือ สัจจะคือความจริงใจตั้งใจแล้วเราต้องรักษาความตั้งใจให้ได้เหมือนกับรักษาคำพูดเราสัญญากับอะไรกับใครไ้แล้วถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็จะไม่รักษาคำาพูดของเราเช่นนัดกันว่าจะมากันวันนี้ตอนเช้าพอถึงเวลาเขาไปรับเราเราก็หายหัวไปแล้วอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะลบหลบหนีไปแล้ว ไม่อยากจะมาก็เลยหนีไปหนีไปทำอย่างอื่นไปที่อื่นถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะแล้วต่อให้มีความตั้งใจมากน้อยเพียงไรก็จะไม่เกิดเป็นผลขึ้นมาดังนั้นเราต้องมีสัจจะ ด, ด้วยเวลาเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องรักษาความตั้งใจของเราให้ได้เช่นวันนี้นตั้งใจจะมาวัดเมื่อถึงเวลาก็ต้องมา ฝนตกแดดออกอย่างไรน้ําท่วมถ้ามาได้ก็มาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรถ้ายังมาได้ก็ต้องมาให้ได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีสัจจะยกเว้นว่ามาไม่ได้จริงๆลุกขึ้นลุกขึ้นมาไม่ได้นอนอยู่ในเตียงเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขนาดลุกขึ้นไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสุดวิสัย <c oughs> ถ้าเราไม่มีสัจจะควบกู้กลับไปกับอธิษฐานแล้ว เราจะไม่สามารถทำอะไรได้ให้เป็นผลเป็นเป็นเป็นเป็นความสำเร็จได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพก่อนที่จะตัดสรุเพระองค์ก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานทรงตัดว่าจะนั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพนี้นั่งทำบำเพ็ญภาวนาสมถะภาวนาคือทำสมาธิ และเจริญวิปัสสนาภาวนาคือเจริญปัญญาจนกว่าจิตใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจนกว่าจิตจะได้บรรลุถึงพระนิพพานถ้ายังไม่ได้ผลที่ตนตนเองต้องการจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดถึงแม้ร่างกายในเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งหายไปหมดก็ตาม หรือแม้จะไม่มีลมหายใจเข้าออกอยู่เลยก็ตามก็จะไม่ลุกจากที่นี่เป็นอันขาดคือถ้าไม่ได้พระนิพพานก็ต้องตายเท่านั้น <c oughs> นี่คือสัจจะอริธานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งไว้ในขณะที่บำเพ็ญในวนราระสุดท้ายในวันเพ็ญเดือนหนั้นและเมื่อได้ตั้งสัจจะนั้นแล้วจิตใจก็เลยเมื่อวอกแวกไม่สองจิตสองใจ จะนั่งดีหรือไม่นั่งดีจะลุกขึ้นหรือจะทำไปทำอะไรอย่างอืน่นทำไม่ได้แล้วมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือภาวนาทำจิตให้สงบแล้วพิจารณาให้เกิดปัญญาเมื่อทำได้หล่งนั้นแล้วผลมันก็ปรากฏขึ้นมาในเวลาไม่นานเลย <c oughs> ดังนั้นไม่ว่าพวกเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องมีความแน่วแน่เมื่อตั้งใจแล้วต้อง ไม่เปลี่ยนใจเมื่อเราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าสิ่งที่เราจะทํานี้เป็นสิ่งที่ดีมีคุณมีประโยชน์กับเราเราก็พุ่งไปเลยทําไปเลยใครจะมาทักมาท้วงมามาขอร้องอย่างไรก็ไม่สนใจแล้วเพราะไม่ใช่นนั้นแล้วต่อไปเราจะไม่สามารถทําอะไรได้พอจะทําอะไรเดี๋ยวก็มีเหตุนั้นเหตุนี้มาอ้างเรื่อย เช่นวันนี้นถ้าเกิดเราไม่มีสัจจะเกิดเมื่อเช้านี้เราเตื่นขึ้นมาแล้วเร า, ย, ายังรู้สึกง่วงนอนยังอยากจะนอนต่อเราก็อาจจะนอนต่อไปไม่มาวัดตามที่เราได้ตั้งใจไว้เมื่อไม่ไม่มาเราก็ได้ไม่ ไ, มได้มานรรมในสิ่งที่ดีมาทําบุญมาฟังเทศฟังธรรมดังนั้นเราจึงต้องมีทั้งความตั้งใจและมีสัจจะ อมีความจรินใจมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจของเราแล้วเมื่อมีแล้วสิ่งที่เราจะต้องมีในลำดับต่อไป mm. ก็คือต้องมีความภาคเพียรความขยันวิริยะนะเมื่อเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องมาทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้อย่าผัดวันประกันพุ่งอย่าบอกว่าเออไม่เป็นไรละตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ ยังมีเวลาอีกมากไว้รอเวลาที่ใกล้าตายแล้วค่อยทำดีกว่า <c oughs> เราไม่รู้ว่าเวลาที่เราจะตายนะั้นมันเมื่อไหร่แล้วอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ว่าคนเราจะตายกันเมื่อไหร่ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่ตายกันทุกคนไปมีคนตายอยู่ในทุกเวลาทุกอายุ ดังนั้นเราต้องอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเมื่อเรามีเวลามีโอกาสเช่นวันนี้เราว่างเราก็ต้องรีบทำเสียทำแล้วมันก็เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่เราทำนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินที่เราเอาไปฝากไว้ในธนาคารถ้าเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารแล้วมันก็ปลอดภัยถ้าเรายังเก็บไว้ที่บ้านอยู่ไม่เอาไปฝากอาจจะถูกขโมยลักไปก็ได้ แล้วเงินที่จะเป็นของเราทำไมก็จะหายไปกลายเป็นของคนอื่นไปเช่นเดียวกับบุญบา ร, รมีต่างๆที่เราต้องเสริมต้องสร้างกันถ้าเราไม่รีบเสริมสร้างไม่รีบทำกันในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ทำแล้วชีวิตของเราก็จะไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นก่อนมาชาตินี้ก็เสียชาติเกิด ไม่ได้กำไรอะไรจึงอยากจะให้เราทั้งหลายจงตั้งตั้งเป้าไว้แล้วให้มีสัจจะความจริงใจต่อสิ่งที่เราได้ตั้งไว้แล้วก็ให้เรามีความขยันที่จะทำในหน้าที่ของเราแล้วก็ในขณะที่ทำก็ต้องมีความอดทนนี่ก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือความอดทน ไม่ว่าเวลาเราทำความดีเช่นทำบุญให้ทานเสียสละเป็นสิ่งที่มันยากเพราะมันต้องต่อสู้กับกิเลสของเราเองคือความเห็นแก่ตัวความตนีความเสียดายในสิ่งของต่างๆที่เราไม่อยู่เราต้องอดทนทาไปมันจะยากจะลำบากอย่างไรก็ทำต้องตื่นเช้ามาวัดก็ต้องยอมตื่น มาแล้วต้องมานั่งรอให้ถวายอาหารให้เสร็จแล้วมาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องอดทนแต่การอดทนแบบนี้มันเป็นคนุณมันเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราเวลาเราทำบุญแล้วก็ทำให้เรามีความสุขเวลาเรานั่งเฉยๆรอให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเราก็มีสมาธิใจเราตั้งมั่น ไม่ไหลไปไหลมาเราสามารถหยุดใจเราได้หยุดกายเราได้เวลาที่เราเกิดความโกรธในเราก็สามารถที่จะระ ง, งับความโกรธเราได้เวลาที่มีความโลภเราก็จะระ ง, งับความโลภเราได้แต่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาเกิดความโกรธเราก็จะต้องไปทาสิ่งที่เราอยากจะทำถ้าอยากจะไปดา่าคนอื่นก็ต้องไปดา่า ถ้าอยากจะไปทุบทำร้ายคนอื่นก็จะต้องไปทุบทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าเราฝึกให้นั่งอยู่เฉยๆให้ใจเย็นๆเวลาเกิดความโกรธเราก็บังคับใจไว้ว่าอย่าลุกขึ้นไปให้นั่งอยู่เฉยๆไปพูดไปทำอะไรในเวลาที่เราโกรดนี้ไม่ดีจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปทำให้เราเป็นคนที่น่าเกลียดน่ารังเกียจ แล้วเราจะต้องเสียใจในภายหลังนี่คือสิ่งที่เราได้จากการที่เรามีความอดทนในการที่จะทำความดีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนดังนั้นถ้าเรามีบารมีทั้งสี่ประการนี้คือมีอธิษฐานบารมีความตั้งใจศัจจบารมีความจริงใจวิริยะบารมี ความภาคเพียรและขันติบา ร, รมีความอดทนรับรองได้ว่าการดำเนินตามพระพุทธเจ้านี้จะเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วจะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในเวลาอันไม่นานเลยจนเพราะฉะนั้นอย่าประมาทความสามารถของเราการที่ได้เป็นมนุษย์นี้แสดงว่าเรามีความสามารถ เต็มที่แล้วมีความสามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้เพียงแต่ขอให้เราเชื่อในพระธรรมคำสอนแล้วมีความตั้งใจมีศัจจะมีความจริงใจมีวิริยะมีความขยันมีขันติความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เลิศกที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ได้ดำเนินไปอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านได้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษ์พิจารณาละประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอพกุศลสมบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้